ข้างหน้าด้วยซ้ำหนึ่งคำในปากอีกหนึ่งคำซ่อมจิ้มรอไว้แล้วและอีกคาหนึ่งกองรออยู่บนจานขณะที่จิตของเรามุ่งไปสู่อาหารที่ซ่อมจะจิ้มเป็นลำดับที่สามแล้ว <travailler> เพื่อจะได้รู้สึก อ, อร่อยในรสชาติอาหารของเรา และเข้าใจชีวิตอย่างสมบูรณ์เราต้องรู้จักการอยู่ในปัจจุบันในการกินอาหารเราก็รู้อยู่กับรสของอาหารทีละคำทีละคำในชีวิตประจาวันเรารู้จักรสชาติของปัจจุบันทีละขณะทีละขณะเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงจะได้ใช้เงิน อย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ในพัตาคาคหร5ดาวที่เรียกว่าชีวิต